เข้าไปหาตาข่กยคำถามว่าบุคคลควรจะให้ทานในที่ใดเราตอบว่าควรให้ในที่ที่เลื่อมใสายคือเลื่อมสายบุคคลใดคณะใดก็ควรให้กับบุคคลนั้นในคณะนั้นพระองค์ถามต่อไปว่าให้ทานในที่ใดจึงจะมีผลมากเราตาขาคตตอบว่าถ้าต้องการผลมากแล้วเราก็ควรจะให้ทานในท่านผู้มีศีล การให้แก บ, บุคคลผู้ทุศีนหามีผลมากอย่างนั้นไหมสถานที่ทำบุญเี็บเมือเนื้อนาเจตนาและทายาทของทายกเียบเหมือนเมล็ดพืชท่าเนื้อนาดีคือบุคคลผู้รับเป็นคนดีมีศีลธรรมและประกอบด้วยเมล็ดพืชคือเจตนาและทายาทของทายกบริสุทธิ์ทานนั้นก็มีผลมากการหวานข้าวลงในนาที่เต็มไปด้วยหญ้าแฝกและหญ้าคา ต้นข้าวย่อมขึ้นได้โดยยากชันใดการทำบุญในคณะบุคคลผู้มีศีลอยมีธรรมน้อยก็ยฉันนั้นคือย่อมได้บุญน้อยส่วนการทำบุญในคณะบุคคลซึ่งมีศีลดีมีธรรมงามย่อมจะมีผลมากเป็นภาวะอันตรงกันข้ามอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรประมาทว่าบุญหรือบาปเพียงเล็กน้อยจะไม่ให้ผลกาดน้ำที่ไหลลงทีละหยด ยังทําให้แม่น้ําเต็มได้ฉันใดการสั่งสมบุญหรือบาปแม้จีลน้อยก็ถันนั้นผู้สั่งสมบุญต้องเปี่ยมล้นไปด้วยบุญผู้สั่งสมบาปต้องเพีย้ยแเพไปด้วยบาปทิศสูตรทั้งหลายพรหมจารย์นี้เราประพฤติไม่ใช่เพื่อหลอกลวงคนม่ใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือไม่ใช่เพื่ออ น, นิสงสาบสการะและความสําเสริมม่ใช่จุดหมายเพื่อเป็นเจ้าลทัทธิและแก่ลทัทธิอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ใช่เพื่อให้ใครรู้จักตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พรมอาจารย์นี้เราประพฤติเพื่อสังวระคือความสำรวมเพื่อปรหาะคือความละเพื่อวิราคะคือคลายความกำหนัดยินดีและเพื่อนิโรธะคือความดับทุกข์ภิกษุทั้งหลายธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประนีตไม่ใช่วิสั ย, ยแห่งตากา คือคิดเอาไม่ได้หรือไม่ควรลงความเห็นด้วยการเดาแต่เป็นธรรมที่บันฑิตพอจะรู้ได้ที่สูทั้งหลายจงดูกายอันนี้เถิดฟันหักผมหงอกนังเหี่ยวยานมีอาการสวดโสมให้เห็นอย่างเด่นชัดเหมือนเวียนที่ชมุดแล้วชมุดอีกได้อาศัยแต่ไม้ไผ่มาซ่อมไว้ผูะขนาบคาบคําไว้จะยืนนานไปได้สักเท่าไหร่ การแตกสลายย่อมจะมาถึงข้าวสักวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงมีธรรมเป็นที่เกาะที่พึ่งเถิดอย่าคิดยึดสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยแม้จะฐานะก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นภิกษุทั้งหลายจงดูกายอันเปลือยเน่านี้เถิดมันอาดูนให้สะอาดมีสิ่งโสโปรกไหลเข้าไหลออกอยู่เสมอถึงกระนั้นก็ตามมันยังเป็นที่พอใจปราถนา ย, ยิ่งนัก ของคนผู้ไม่รู้ความจริงข้อนี้ภิกูุทั้งหลายร่างกายนี้ไม่นานรอกคงจะนอนทับสมแผ่นดินร่างกายนี้เมื่อปราศจากวิญญาณคลองแล้วก็ถูกทอดทิ้งเหมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าอันเขาทิ้งเสียแล้วโดยไม่ใหญ่ดีพิสูุทั้งหลายอันร่างกายนี้สะสมไว้แต่ความสโปรปกโสโครกมีสิ่งปฏิกูลไหลออกจากขวานทั้งก้า มีช่องหูช่องจมูกเป็นต้นเป็นที่อาศัยแห่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นป่าช้าแห่งซากสัตว์นานาชนิดเป็นรังแห่งโรคเป็นที่เก็บโรคขังขีอุปมาเหมือนถุงหนังซึ่งมาอยู่เอาสิ่งโสงโครกต่างๆเข้าไว้แล้วซึ่งออกมาเสมอเสมอเจ้าของกายจึงต้องชำระล้างขัดถูวันละหลายหลายครั้งเมื่อเว้นจากการชำระล้างแม้เพียงวันเดียวหรือสองวัน กล่นเมนก็ปรากฏเป็นที่รังเกียจเป็นของน้าขยะขยงที่สูตรทั้งหลายร่างกายนี้เป็นเหมือนเรือนซึ่งสร้างโดยโครงกระดูกมีหนังและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาที่มองเห็นเปล่งปลั่งผุดผ่าดนั้นเป็นแต่เพียงผิวหนังเท่านั้นเหมือนมองเห็นความงามแห่งหีบศพอันวิจิตรการตาผู้ไม่รู้ก็ติดในหีบศพนั้นแต่ผู้รู้เมื่อทราบว่าปเป็นหีบศพ แม้ภายนอกจะวิจิตราการตาเพียงไรก็หาพอใจ ย, ยินดีไม่เพราะทราบชัดว่าภายในแห่งหีบอันสวยงามนั้นที่สิ่งปฏิกูลพึงรังเะียทภิสูุทั้งหลายอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดเป็นทางอันประเสริฐสามารถทำให้บุคคลเดินไปตามทางนี้ถึงซึ่งความสุขสงบเย็นเต็มที่เป็นทางเดินไปสู่อมตะที่สูทั้งหลาย ถ้าภิกษุหรือใครๆก็ตามพึงอยู่โดยชอบปฏิบัตินำเนินตามมรรคอัประเสิฐประกอบด้วยองค์แปดนี้อยู่โรคก็จะไม่พึงว่างจากพระอระหันต์ภิกษุทั้งหลายผู้ใดเคารพหนักแน่นในภาษาสดตและพระธรรมมีความยำเกรงในสม์มีความเคารพหนักแน่นในสมาธิมีความเพียนเครื่องเขาบาปเคารพในตจศีขา และเคารพในปฏิสันฐานการต้อนรับอาคันตุ ก, กะผู้เช่นนั้นย่อมไม่เสือ่อมดำรงตนอยู่กล้พระนิพพานภิกษุทั้งหลายกราบใดที่พวกเธอยังหมั่นประชุมกันเนืองนิดพร้อมเพรียงกันประชุมเคารพในสิกขาบทบัญญัติยำเกรงภิกษุผู้เป็นสังฆเถระสังฆบิดรไม่ยอมตนให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งตัหาพอใจในการอยู่อาศัยเสนาสนาปา่า ปราถนาให้เพื่อนพรมจารีมาสู่สำนักและอยู่เป็นสุขตราบนั้นพวกเธอจะไม่เสื่อมเลยมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวภิกษุทั้งหลายตราบใดที่พวกเธอไม่หมกมุ่นกับการงานมากเกินไปไม่พอใจด้วยการคุยฟุ้งซ่านไม่ชอบใจในการนอนมากเกินควรไม่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่เป็นผู้ปราถนาลามก ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งความปรารถนาชั่วไม่คบมิตรเลวไม่หยุดความเพียนพยายามเพื่อบรรลุคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปแล้วกราบนั้นพวกเธอจะไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความจเจริญโดยส่วนเดียวทิกษูทั้งหลายวาจาสุภาษิตย่อมไม่มีประโยชน์แก่ผู้ไม่ทำตามเหมือนดอกไม้ที่มีสีสวยสัญฐานดีแต่หากล่นไม่ได้ แต่ว่าจาสุภาษิทธิ์ก็มีประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ทําตามเหมือนดอกไม้ที่มีสีสวยมีสันทานงามและมีกลิ่นหอมที่สุดทั้งหลายทาที่เรากล่าวดีแล้วนั้นก็ไม่มีผลมากไม่มีอนิสงฆ์ภัยสารแก่ผู้ไม่ทาตามโดยเคารพแต่จะมีผลมากมีอานิสงฆ์ภัยสารแก่ผู้ซึ่งกระทําโดยนายะตรงกันข้ามมีการฟังโดยเคารพเป็นต้นพระพุทธองค์ ตักับพระอานนท์ว่ามาเถิอดอานนท์เราจะไปกุศินารานครด้วยกันพระอานนท์รับพุธบัญชาแล้วประกาศให้พิสูจทั้งหลายทราบพร้อมกันแล้วเดินจากสถานที่นั้นมุ่งสู่กุศินารานครในระหว่างทางทรงเหน็ดเหนื่อยมากจึงแวะเข้าร่มพฤกใบหนาต้นหนึ่งรับสั่งให้พระอานนท์ปูผ้าสังคาปิทำเป็นสี่ชั้น อานนนเราเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินอาพาธก็มีอาการรุนแรงขึ้นเร็วเข้าเถิดรีบปูร่าสังคาตีลงเราจะนอนพักผ่อนและขอให้เถอเปปนนำน้ำมาดื่มพอแก้ประหายถ้าเจ้าข้าถ้าอาโนนชูนเกลียนเป็นจนวนมากเพิ่งผ่านพ้นลำน้ำไปสักครู่นี้เองน้ำยังขุ่นอยู่ไม่สมควรที่พระองค์จะดื่มขอพระองค์ไปดื่ม น, น, น้ำแม่น้ำตะกูธานทีเถิด มีน้ำสายจีดสนิทเย็เนดีย่าเลอยอาน o ์พัฒฐาคตรตัดเป็นเชิงวิงวอนอยาคอยจนไปถึงแม่น้ำกากุธานาทีเลยเรากระหายเหลือเกินร่างกายร้อนคอแห้งผากเธอจงรีบไปนำน้ำมาเถิดถ้าอานน์รับคุธบัญชาแล้วซือบาทของพัฒฐาโคตรเจ้าไปท่านมีอาการเศร้าซึมรละวิตกกังวลเมื่อมาถึงริมแม่น้ายังมองเห็นน้าขุ่นอยู่ ท่านมีอาการเหมือนว่าจะเดินกลับแต่ด้วยความเชื่อและห่วงใยในพระศาสดาจึงเดินลงไปอีกพอท่านทำท่าจะตักน้ำขึ้นมาเท่านั้นน้ำซึ่งมีสีขุ่นขาวเพราะรอยเกลียยและโคก็ปรากฏเป็นน้ำใสสะอาดเหมือนกระจกเงาท่านจึงตักน้ำนั้นมาแล้วรีบเดินกลับน้อมบาตรนำน้ำเข้าไปถวายพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงดื่มด้วยความประหาย พาาระอนุนมองดูได้ความชื่นชมในพุทธบา ร, รมีแล้วทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าอัจฉริยจริงสิ่งที่ไม่เคยมีไม่เคยปรากฏได้มีได้ปรากฏแล้วเป็นเพราะพุทธานุภาพโดยแท้บา ร, รมีธรรมเป็นสิ่งที่น่าสั่งสมแท้แล้วท่านก็เล่าเรื่องน้ําขุ่นกลับสายสะอาดโดยฉับคันให้ทัพผู้มีพระาค้าสนับพระจอมมณีคงประทับสงบนิ่ง ด้วยอาการแห่งผู้เจียนจบและเข้าใจในความเป็นไปทั้งปวงก่อนหน้านี้เพียงเล็กน้อยเมื่อพระองค์ผ่านมาทางเมืองปาวาประทับณสวนมะม่วงของนายจุนทะบุตรแห่งนายช่างทองนายจุนทะทูลอาราธนาพระพระุทธองค์รับพระตาหารณบ้านของตนแล้วจัดแกงขานิญญพวนญญาหารอย่างตร น, นินีทุ่งขึ้นได้เวลาแล้ว อาราธนาพระพุทธองค์และพิสูสงค์เพื่อเสวยพระพุทธองค์ทอดศาสนาการเข็นสูกกรมัทวะอาหารชนิดหนึ่งซึ่งย่อยยากจึงรับสั่งให้ถวายแ บ, บ่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวมิให้ถวายกับพิสูกรูปอื่นเมื่อพระองค์เสวยแล้วก็รับสั่งให้ฝังเสียดูเถิดถ้ามหากรุณาแห่งพระองค์มีถึงปานนี้สำหรับพระองค์นั้นไม่ได้ห่วงใหญ่ในชีวิตอีกแล้ว พะถึงอย่างไรก็ต้องนิพพานในคืนวันนี้แน่นอนทรงเป็นห่วงพิสุสาวกจะลำบากถ้าฉันอาหารที่ย่อยยากชนิดนั้นพระหนึ่งมารดาหรือบิดาผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมในบุตรของตนทราบว่าอะไรจะทำให้บุตรธิดาลลำบากย่อมพร้อมที่จะรับความลำบากนั้นเสเองสูกรมัชวะให้ผลในทันทีอาการประชวนของพระองค์ซุดหนักลงอย่างน่าวิตก มีพระบางคนเป็นโลหิตแต่ถึงกระนั้นก็ยังเสด็จด้วยพระบาทเปลา่าจากบาวาสู่กุศินารานครดังกล่าวแล้วพระองค์ต้องหยุดพักเป็นระยะระยะหลายครั้งก่อนจะถึงกุศินาราราชธานีแห่งมลรคกษัตริย์ณใต้ลมพลึกใบหนาแห่งหนึ่งขณะที่พระองค์หยุดพักมีบุตรแห่งมรลคกษัตริย์นามว่าปุกกุสะเคยเป็นศิษย์ของอาราลดาบทกาลามโคธ เดินทางจากกุศีนราเพื่อไปยังปาวานครได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงน้อมนําผ้าคู่งามซึ่งมีสีทองเหมือนทองสินทพเข้าไปถวายรับสั่งให้ถวายกับพระองค์ผืนหนึ่งแก่พระนนผืนหนึ่งพระนนถเห็นว่าผ้านั้นไม่สมควรแก่ตนจึงน้อมนําผ้านั้นเข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคอีผืนหนึ่ง พระพุทธองค์ทรงนุ่งและห่มแล้วผ้านั้นสวยงามยิ่งนักปรากฏประดุจฐานเพลิงปาสจากควันและเปลวทัชวีของพระองค์เล่าก็ช่างผุดผ่องงดงามเกินเปรียบท่านได้เห็นเหตุการณ์ดังนั้นจึงกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐข้าพระองค์สังเกตเห็นทัชวีของพระองค์พูดผ่องยิ่งนักเกินที่จะเปรียบด้วยสิ่งใดเป ล, ปล่งกลังมีรัศมี โรองค์ผู้ประเสริฐบัดนี้พระองค์ทรงมีพระชนมายุถึงแปดสิบแล้วอยู่ในวัยชราเต็มที่เหมือนผลไม้สุกจนงอมอันหนึ่งเล่าเวลานี้พระองค์ทรงพระประชวนหนักร่างกายเป็นผู้มีโรคเบียดเบียนจะเหตุท่านไหนผิวพรรณของพระองค์จึงผุดผ่องยิ่งนักอานน์เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าที่เป็นอย่างนี้ในคราวจะตรัสรู้คราวหนึ่ง และก่อนที่จะนิพพานอีกคราวหนึ่งคิวพันแห่งตถาคตก้องปรากงดงามตดแลัสมีแห่งสุริยาเมื่อแรกรุ่งอรุณและจวนจะอัสดงอาโนนในยามสุดท้ายแห่งลาฏีนี้ตถาคตจะต้องปรินิพพานในระหว่างต้นสาระทั้งคู่ซึ่งโล้มกิ่งเข้าหากันมีใบใหญ่หนาะมีดอกเป็นช่อชั้นตัดดังนั้นแล้ว จึงเสด็จนำพระอณนณ์ไปสู่ฝั่งน้ำกากุธานาทีเสด็จลงสงสมราญตามพระพุทธ า, ทยาสายอาศัยแล้วเสด็จขึ้นจากกกุธานาทีไปประทับณอัมพรวันรับสั่งให้พระจุนทะน้องชายพระสารีบุตรกูลรางคาติกันสี่ชั้นแล้วบรรทมด้วยสีหัสายยาคือตะแคงขวาเอาพระหักรองรับพระเศียรซ้อนพระบาทให้เหลื่มกันมีพระสติสัมปชัญญะ ตั้งพระไทยว่าจะลุกขึ้นนายแม่ช้าขณะนั่นเองความปริวิตตกทึงนายจุนทะผู้ถวายสูกรมรมถวะก็เกิดขึ้นจึงตักับพระอ น, นุ์ว่าอา น, นุ์เมื่อเรานิพพานไปแล้วอาจมีผู้กล่าวโทษจุนทะว่าถวายอาหารที่เป็นพิษจนเป็นเหตุให้เราบรินิพพานหรือมิฉะนั้นจุนทะอาจจะเกิดอิปฏิสาเรเดือดร้อนใจตัวเองว่า พเพราะเสวยสู่กรมาถวะอันตนถวายแล้วพระตถากตจึนิพานอานนท์บินทบาททางที่มีอานิสงฆ์มากมีผลพายสารมีอยู่สองคราวด้วยกันคือเมื่อนางสุชาดาถวายเราก่อนจะตรัสรู้ครั้งหนึ่งได้อีกครั้งหนึ่งที่จุนชาถวายนี้ครั้งแรกสเสวยอาหารของสุชาดาแล้วตถาคตก็ถึงซึ่งกิเลสนิพพาน คือการดับเฉลยอดข้างหลังนี้เสวยอาหารของจุนทะบุตรนายช่างทองแล้วเราก็นิพานด้วยขันธนิพานคือดับขันธ์อันเป็นวิบากที่ยังเหลืออยู่ถ้าใครใคจะพึงตำหนิจุนทะเธอพึงกล่าวให้เข้าเข้าใจตามนี้ถ้าจุนทะจะพึงเดือดร้อนใจเธอพึ่งกล่าวปลอบใจให้เข้าคลายวิตกกังวลเสียอาหารของจุนทะเป็นอาหารเมื่อสุดท้ายสําหรับเรา ชั้นแล้วถ้าผู้มีพระภาคเจ้ามีพระอ น, นุลเป็นปัจฉาสมณะและมีพิสุสงหมู่ใหญ่เป็นบริวารเสด็จข้าแม่น้ําฮีรันยวดีถึงกรุงกุสินาราสเสด็จเข้าสู่สาลพโนทยานคืออุทยานซึ่งสพบึกพร่าง้วยต้นสาละรับสั่งให้พระอานนุ์จัดท่านบรรพรมระหว่างต้นสาละซึ่งมีกิ่งโน้มเข้าหากันให้หันพระเศียรไปทางทิดอุดร ครั้งนั้นมีบุคคลเป็นจานวนมากจากสาราทิตต่างๆเดินทางมาเพื่อเฝ้าพระพุทธสีระเป็นปัจฉิมการแท่เป็นปริมณฑลกว้างออกไปสุดสายตาสมเด็จพระมหาสมณะทรงเห็นเหตุการณ์หย่างนี้แล้วจึงตัดกับพร้านนุนเป็นเชิงปรารพว่าอา น, นุนพุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกุบาศิกาทำสการะบูชาเรา ด้วย เ, เครื่อบูชาสการะทั้งหลายอันเป็นอามิตรเช่นดอกไม้ทูกเขียนเป็นต้นหาชื่อว่าบูชาสถากด้วยการบูชายิ่งไม่อนนนเอยผู้ใดปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติทำอันเหมาะสมผู้นั้นแลชื่อว่าสการะบูชาเราด้วยการบูชายอดเยี่ยมถ้านนนทูลว่าพระองค์ผู้เจริญเมื่อก่อนนี้ ออกพรรษาแล้วพิสูจทั้งหลายต่างพากันเดินทางมาจากที่สานุชิตเพื่อเฝ้าพระองค์ฟังโอวาทจากพระองค์บัดนี้พระองค์จะปรินิพานเสร็จแล้วพิสูจทั้งหลายจะพึงไปณที่ใดอาโนนสถานที่อันเป็นเหตุให้หระลึกถึงเราก็มีอยู่คือสถานที่ที่เราประสูติแล้วคือลุมพินีวันสถานสถานที่ ที่เราตั้งอาณาจาักรแห่งธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกคือป่าอิสิปตนามิกตายะแขวงเมืองพาราณสีสถานที่ที่เราตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบรรลุความรู้อันประเสริฐทำกิเลสให้สิ้นไปคือโพธิมณฑลตําบนอุรุเวลาเสนานิคมและสถานที่ที่เราจะบรินิพานในบัดนี้คือป่าไม้สาระ น, านาคอนกุศินารา อาโนนเอยสถานที่ทั้งสี่แห่งนี้เป็นสังเวชนีสถานสาราณีสถานสําหรับให้เราลึกถึงเราและเดินตามรอยบาทแห่งเราข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าในพรหมจรรย์นี้มีสุภาพสตรีเป็นอันมากเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในฐานหน้าต่างๆเป็นมารดาบ้างเป็นพี่หญิงน้องหญิงบ้างเป็นเครือญาติบ้างและเป็นผู้เลื่อมใสในพระราตนาถลายบ้าง ภิกษุจะพึงปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรพระเจ้าข่าอานนท์การที่ภิกษุจะไม่ดูแม่ดาสตรีเพศเฉลยนั้นเป็นการดีรดดถ้าจําเป็นต้องดูต้องเห็นเล่าพระเจ้าข่าพระานนท์ทูลซักถ้าจําเป็นต้องดูต้องเห็นก็อย่าพูดด้วยอย่าสนทนาด้วยนั่นเป็นการดีพระศาสดาตราสตอบถ้าจําเป็นต้องสนทนาด้วยเล่าพระเจ้าข่าจะปฏิบัติอย่างไร ถ้าจําเป็นต้องสนทนาด้วยก็จงมีสติไว้ควบคุมสติให้ดีสัมรวมอินทรีย์วาจาให้เรียบร้อยอย่าให้ความกำหนัดยินดีหรือความหลงไหลครอบงามจิตใจได้อานนท์เรากล่าวว่าสตรีที่บุรุษเอาใจเข้าไปเกี่ยวเกาะ น, นั้นเป็นมณฑินของพรหมจันทร์แล้วสตรีที่บุรุษไม่ได้เอาใจเข้าไปเกาะเกี่ยวเล่าพระเจ้าข้าจะเป็นมนฑินของพรหมจันทร์หรือไม่ ไม่เป็นที่อานน์เธอระลึกได้อยู่หรือเพราะเคยพูดไปว่าอารมณ์อันวิจิตสิ่งสวยงามในโลกนี้มิใช่กามแต่ความกำหนัดที่เกิดขึ้นเพราะการดําหลี่งต่างหากเล่าเป็นกามของคนเมื่อกระชากความพอใจออกเสียได้แล้วสิ่งวิจิตสวยงามก็อยู่อย่างเกอ้อเกอ้อทำผิดอะไรไม่ได้อีกต่อไปถ้าผู้มีพระภาคเจ้าบรรทมสงบนิ่งพระอานน์ก็พลอยนิ่งตามไปด้วย ดูเหมือนท่านจะตรียตรองทบทวนพุทธวจนะที่ตัดกบลงสักครู่นี้ความเยยบสงัดปกคลุมอยู่ครู่หนึ่งแล้วพระอนนท์ก็ทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อโพล่งปรินิพานไปแล้วจะปฏิบัติเกี่ยวกับพุทธสริระอย่างไรอย่าเลยอานนท์พระศาสดาทรงห้ามเธออย่ากังวลกับเรื่องนี้เลยหน้าที่ของพวกเธอคือคุ้มฟองตนด้วยดี จงพยายามทําความเพียรเผาบาปที่เล่าร้อนอยู่ทุกอิริยาบทเถิดสําหรับเรื่องสรีระของเราเป็นหน้าที่ของเครหอขัดที่จะพึงทํากันกริย์พราหม์และขหาบดีเป็นจํานวนมากที่เลื่อมสายสถาโคตรก็มีอยู่ไม่น้อยก็คงทํากันเองเรียบร้อยถ้าเจ้าข้าพระอนน์ทูลเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของเครหอขัดก็จริงอยู่แต่ถ้าก็ถามข้าพระองค์ข้าพระองค์จะพึงบอกเขาอย่างไร อานน์ชนทั้งหลายเมื่อปฏิบัติต่อสรีระแห่งพระเจ้าจากักรพรรดิอย่างไรก็พึงปฏิบัติต่อสรีระแห่งตถาคตอย่างน้ำเถิดทำอย่างไรเล่าพระเจ้าข้าอานน์คืออย่างนี้เขาจะพันสรีระแห่งพระเจ้าจากักรพรรดิด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสมรีแล้วพันด้วยผ้าใหม่อีกทำอย่างนี้ถึงห้าร้อยคู่หรือห้าร้อยชั้นแล้วนำวางในรางเหล็กซึ่งเต็มไปด้วยน้ำมัน แล้วปิดครอบด้ยวยรางเหล็กเป็นฝาแล้วทำจิตกาทานด้วยไม้หอมหนานาชนิดแล้วจึงถวายพระเพลิงเสร็จแล้วเชิญพระอธิธาแห่งพระเจ้าจกักรพรรดนั้นไปบรรจุสถูปซึ่งสร้างไว้ทาทางสีงแป่งทะศรีละแห่งสถากดก็พึงทำเช่นเดียวกันทั้งนี้เพื่อผู้เลื่อมใสจะได้บูชาและเป็นประโยชน์สุขแก่เขาตลอดกาลนานและแล้ว พระพุทธองค์ทรงแสดงถูอปาระหบุคคลคือบุคคลผู้ควรบรรจุอธิธาบไว้ในพระสถูปสีจ่จมพวกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกและพระเจ้าจักรพัฒน์ตรัดแล้วบรรพทมยิ่งอยู่พระอานนุนพอยออกจากที่เฝ้าเพราะความเศร้าสลดสุดที่จะอดกลั้นได้ท่านไปยืนอยู่ที่สงบเงียบแห่งหนึ่ง น้ำตาไหพลพพ่าจนอาบแก้มแล้วเสียงสะอื้นเบาๆก็ตามมาปับันนี้ท่านมีอายุอยู่ในวัยชรานับได้แปดสิบแล้วเท่ากับพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคเจ้าอุปสมบทมานานถึง 44, สี่สิบสี่พรรษาได้ยินได้ฟังพระธรรมเทศนาอบรมจิตใจอยู่เสมอได้บรรลุคุณธรรมขั้นต้นเป็นโสดาบาันบุคคลและผู้มีองค์ประกอบดังกล่าวนี้ ถ้าไม่มีเรื่องสะเทือนใจอย่างแรงแล้วคงจะไม่เศร้าโศกปริเทวนาการถึงเพียงนี้ท่านสะอื้สะอื้นจนสั่นเทิ้งไปทั้งองค์บางคราวจะมองเห็นผ้าสีเหลืองมนที่คลุมกายสั่นไม่น้อยตามแรงสั่นแห่งรูปกายแน่นอนท่านรู้สึกสะเทือนใจและว้าเหวยอย่างยิ่งเป็นเวลานานเหลือเกินที่ท่านรับใช้พระศาสดาได้ทําหน้าที่พุทธะอุปการ และเอื้อเฟื้อต่อกันการจากไปของพระผู้มีพระภาคจึงเป็นเสมือนกระชาดดวงใจของท่านให้หลุดลอยออกไปโอ้พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของโลกและของข้าพระองค์เสียงขํามกวนออกมากับเสียงสะอื้นตั้งแต่บัดนี้ไปข้าพระพุทธเจ้าจักไม่ได้เห็นพระองค์อีกแล้วพระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาดุจพวงมหารลบมาด่วนจากข้าพระองค์ ทั้งที่ข้าพระองค์ยังมีอาสวะอยู่เหมือนพี่เลี้ยงสอนเด็กให้เดินเมื่อเด็กน้อยพอจะหัดก้าวเท่านั้นพี่เลี้ยงก็มีอันพัพดพรากจากไปข้าพระองค์เหมือนเด็กน้อยผู้นั้นถ้าอาโนนข้ามควรอย่างน่าสงสารเมื่อพระานน์หายไปนานผิดปกติพระศาสดาจึงตรัสถามว่าที่สูตรทั้งหลายอานน์หายไปไหน ไปยืนร้องไห้อยู่ควรต้นไม้นน้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายทูลไปตามอาอนน์วันยี่เถิดพระศาสดาตรัสสั่งพระอานน์เข้าสู่ที่เฝ้าด้วยใบหน้าที่ยังชุ่มด้วยน้ำตาพระาศาสดาตรัสปลอบใจว่าอานน์อย่าข้ามควร น, นักเลยเราเคยบอกไว้แล้ววม่ใช่หรือว่าบุคคลย่ำต้องพัดพลากจากสิ่งที่รักที่พอใจเป็นธรรมดาในโลกนี้หรือโลกไหนๆก็ตาม ไม่มีอะไรย่างยืนถาวรเลยสิ่งทั้งหลายมีการเกิดย่อมมีการดับเป็นธรรมดาเป็นที่สุดไม่มีอะไรยับย้างต้านทานได้ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นประดุจดวงตะวันท่าโนนทูลด้วยเสียงสะอื้นน้อยข้าพระองค์มารำพึงว่าตลอดเวลาที่พระองค์ทรงพระชนอยู่ข้าพระองค์เที่ยวติดตามประดุจฉายาต่อไปนี้ข้าพระองค์จะพึงติดตามผู้ใดเล่า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 เธอเป็นผู้มีบารมีธรรมที่สั่งสมมาไว้แล้วมากเธอเป็นผู้มีบุญที่สั่งสมไว้แล้วมากอย่าเสียใจเลยกิจอันใดที่ควรทำแกตถาคตเธอได้ทำกิจนั้นอย่างสมบูรณ์ด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาอย่างยอดเยี่ยม